จากความจริงของธรรมชาติสู่ปฏิบัติการที่ได้ผลจริงของมนุษย์จากปัจจัยาการของธรรมชาติสู่อริยสัจสาหรับมนุษย์มาดูกันสักนิดว่าจากความจริงตามธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาทมาเป็นความจริงของมนุษย์ที่เรียกว่าอาริยสัจอย่างไร กระบวนการปัจจยาการของปฏิจจสมุปบาทวางพอเห็นภาพดังนี้สมุทยาวาระอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจนถึงเวทนาตัณหาเป็นทุกข์นิโรธาวาระอวิชชาดับสังขารดับไปจนถึงเวทนาดับตัณหาดับเป็นนิโรธว่าตามกฎธรรมชาติ ปัจจยาการมีสองกระบวนคือสองสายเท่านี้เมื่อจะสื่อสารกับคนในโลกพระพุทธเจ้าทรงนำมาตรัสแสดงสั่งสอนเป็นระบบนำเสนอที่มีสี่ข้อเรียกว่าอริยสัจสี่ดังนี้ข้อที่หนึ่งปัจจยาการแรกเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์โดยมีปัจจัยต่อเนื่องกันมาเป็นสาย จนมีผลเกิดขึ้นคือทุกข์เมื่อว่าตามธรรมชาติตลอดทั้งสายนั้นเป็นกระบวนการอันเดียวจากเหตุไปสู่ผลมองเห็นเหมือนเป็นเส้นเป็นแท่งอะไรอันหนึ่งไม่มีจุดสนใจแล้วรอการชี้แจงยากที่จะเข้าใจเพื่อจะสื่อสารกับมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงจับเอาทุกตัวเดียวที่เป็นผลสุดท้ายอยู่ปลายกระบวน แต่เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดติด ต, ตัวคนซึ่งเขาประสบพบวุ่นวายอยู่กับมันทรงยกขึ้นมาตั้งให้เด่นเป็นตัวปัญหาที่จะดึงความสนใจให้คนสะดุดแล้วหยุดมองเป็นจุดเริ่มต้นให้คนเข้ามาหามาพบมาถามมาถกกันในการที่จะพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขจัดวางเป็นหลักความจริงข้อแรกเป็นจุดตั้งต้นเรียกว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ ในการที่จะแก้ปัญหาดับทุกนั้นก็ต้องรู้จักทุกทำความเข้าใจปัญหากลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นข้อที่สำคัญเริ่มแรกข้อที่สองเมื่อมีทุกประสบปัญหาจะแก้ไขก็ต้องสืบสาวค้นหาสาเหตุให้รู้บรรดาปัจจัยที่จะต้องจัดการสลายและเมื่อว่าตามปัจจยาการแรก ที่เป็นกระบวนการเกิดขึ้นของทุกนั้นบรรดาปัจจัยที่ต่อเนื่องกันเป็นสายตั้งแต่อวิชชามาตลอดกระบวนถึงจุดที่จะมีทุกเป็นผลเกิดขึ้นรวมเรียกเป็นคาเดียวว่าการก่อกาเนิดประกอบด้วยบรรดาเหตุปัจจัยที่จะต้องรู้เข้าใจและแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไปข้อนี้มักจับจุดเน้นที่ตัณหา จัดวางเป็นหลักความจริงข้อต่อมาเรียกว่าอาริยสัจข้อที่สองคือสมุทยัยแปลกันว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์ข้อที่สปัจจัยาการกระบวนที่สองเป็นกระบวนการดับสลายหายไปของทุกข์ด้วยการขจัดปัจจัยต่อเนื่องกันมาเป็นสายจนให้เกิดผลเป็นนิโรธคือการที่ทุกข์ดับหายไป แก้ปัญหาได้ไม่มีทุกข์เป็นภาวะไร้ทุกข์ในการสื่อสารกับมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงจับเอานิโรธตัวเดียวคือภาวะหายทุกหมดปัญหาที่เป็นผลสุดท้ายปลายกระบวนซึ่งเป็นความสำเร็จที่ต้องการทรงยกขึ้นตั้งให้เด่นเป็นจุดหมายเป็นสัจจะหนึ่งต่างหาก นิโรดนี้ตั้งเป็นข้อขึ้นมาพร้อมด้วยการแสดงความหมายตั้งแต่ให้เห็นว่าการดับทุกข์แก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นงานที่จำเป็นต้องทำและมีความสาคัญมากยิ่งกว่านั้นนิโรธไม่ใช่เพียงการดับทุกข์ได้หมดปัญหาไปเท่านั้นแต่เป็นภาวะปลอดภัยไร้ทุกข์ซึ่งดีงามสมบูรณ์เป็นภาวะแห่งอิสรภาพ อันสะอาดผ่องใสสว่างหลอดโปร่งโล่งเบาเป็นความเกษมสันติสงบซึ้งเป็นสุขเลิศล้ำเหนือจะร่ำพันนาพาให้คนสนใจใฝ่ใจพร้อมใจมีกำลังที่จะเพียรพยายามก้าวไปในมรรคาเป็นจุดตั้งต้นให้คนลงมือทาเริ่มปฏิบัติโดยไม่กลัวความยากจัดวางเป็นหลักความจริงอย่างหนึ่งเรียกว่าอาริยสัจข้อที่สาม คือนิโรธข้อที่สเมื่อมองไปถึงจุดหมายที่พอจะรู้เข้าใจว่าสำคัญจำเป็นและดีอย่างไรพร้อมใจและมีกำลังที่จะเริ่มการแล้วก็มาเข้าสู่มรรคาที่จะปฏิบัติมรรคาที่จะปฏิบัตินั้นชัดอยู่แล้วก็คือกระบวนการดับทุกข์ ในช่วงตอนของปัจจยาการย้อนทางคือการดับของบรรดาปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาเป็นสายจนถึงจุดที่จะให้เกิดผลเป็นนิโรธคือความดับทุกนั้นตลอดช่วงของกระบวนปัจจัยาการที่เป็นการดับสลายปัจจัยของทุกนั้นก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งจัดเป็นอริยสัจข้อที่สคือมรรคเรียกชื่อเต็มว่า นิโรธาคาไินีปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติหรือทางดําเนินที่นําไปสู่นิโรธอย่างไรก็ดีมักเป็นคําเรียกสิ่งที่มนุษย์ทําได้ปฏิบัติได้คือเดินทางหรือก้าวไปในการปฏิบัติปฏิบัติในภาษาบาลีแปลว่าดําเนินเดินทาง แต่การดับปัจจัยต่างๆในปัจจาัการนี้เป็นความเป็นไปของธรรมชาติตามความจริงที่เราเรียกว่ากฎของมันในทางปฏิบัติเมื่อกฎหรือความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนต้องการผลหรือจะให้เกิดความเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นก็ต้องทำการของตนให้เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นดังเช่นในกรณีนี้กฎปัจจยาการว่า เพราะอาวิชชาดับสังขารก็ดับนี่คือความจริงของธรรมชาติแต่สำหรับมนุษย์ก็มีคำถามในทางปฏิบัติว่าทำอย่างไรจะให้อวิชชาดับแล้วก็มีคำตอบว่ามนุษย์ก็ต้องไปพัฒนาปัญญาไปหาความรู้สินี่คือจากความรู้เข้าใจความจริงหรือกฎของธรรมชาติก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมาที่จะให้มีความเป็นไป และเกิดเป็นผลตามกฎธรรมชาตินั้นวิธีปฏิบัติของมนุษย์อย่างนี้ก็คือที่เรียกว่ามักนี่คือเพื่อให้มีปฏิบัติการของมนุษย์ที่จะให้เกิดความเป็นไปของธรรมชาติที่นำไปสู่ผลเป็นนิโรธพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงจัดตั้งวางระบบวิธีและกระบวนการปฏิบัติขึ้นมาสำหรับมนุษย์ เป็นรายละเอียดมากมายในการพัฒนามนุษย์นั้นด้านวินยัยด้านจิตใจด้านปัญญาเป็นต้นรวมเรียกเป็นสัจจกอีกอย่างหนึ่งดังได้บอกแล้วว่าจัดเป็นอริยศัสตร์ข้อที่สคือมรรคเป็นอันว่าจากความรู้เข้าใจเข้าถึงธรรมอันเป็นความจริงของธรรมชาติ ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัการพ่วงด้วยไตร ล, ลักษณ์พระพุทธเจ้าได้ทรงประยุกต์แสดงธรรมนั้นเป็นระบบคําสอนที่จะสื่อสารสู่ประชาชนให้เขารู้เข้าใจนำไปปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ได้จริงเรียกว่าอาริย ส, สัจ4ีในอริย ส, สัจสประการนั้นข้อที่มนุษย์ต้องทำต้องปฏิบัติเป็นเรื่องของมนุษย์ ก็คือข้อที่สได้แก่มรรคส่วนข้ออื่นทั้งสาคือทุกข์สมุทัยและนิโรธมนุษย์เพียงแต่ตระหนักรู้สภาวะและความเป็นไปของมันตามที่เป็นความจริงในธรรมชาติมนุษย์ทำอะไรต่อมันโดยตรงไม่ได้เมื่อต้องการจะให้มันเป็นอย่างไรเช่นในข้อสองจะให้กิเลสอะไรลดหายในข้อสาม จะให้บรรลุผลอะไรก็ต้องไปทำในข้อสี่คือมรคนี้โดยปฏิบัติการใหต้ตรงเหตุปัจจัยที่จะให้มีความเป็นไปาตามปัจจญาการของธรรมชาติที่จะเกิดเป็นผลตรงตามที่ต้องการนั้นแม้แต่จะรู้เข้าใจมันการรู้จักนั้นก็เป็นการปฏิบัติในมรคือเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่สี่คือมรคนี้ จึงเป็นเรื่องประจำตัวของมนุษย์เป็นชีวิตของเขาดังที่เรียกว่ามัค ก, ก็คือทางดําเนินชีวิตหรือทางชีวิตการรู้ความจริงของธรรมชาติและนําความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในปฏิบัติการของมนุษย์อย่างมัคในอริยสัจสี่นี้มีตัวอย่างเทียบได้ในชีวิตประจําวันเช่นเมื่อเกิดไฟไหม คนรู้เข้าใจธรรมชาติของไฟว่าเกิดขึ้นอย่างไรและจะดับไปอย่างไรจึงนำความรู้นั้นมาปฏิบัติในการดับไฟเทียบดังนี้อริยสัจสกับหลักการดับไฟทุกข์กับไฟไหมสมุทัยตามอริยสัจคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร จนถึงตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเป็นต้นสมุทยัยสาเหตุของไฟไหม้คือเชื้อไฟบวกออกซิเจนบวกอุณหภูมิถึงขีดนิโรธตามอริยสัจอวิชาดับตันหาดับอุปาทานดับเป็นต้นนิโรธไฟดับคือไม่มีเชื้อไฟขาดออกซิเจนอุณหภูมิต่ำ มักตามอริยศั์ประพฤติศีลพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญามักวิธีปฏิบัติในการดับไฟรักษาภาวะาปลอดเชื้อไฟสาดน้ำฉีดน้ำใสฉีดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้นคู่เทียบนี้ที่จริงไม่ตรงกันนักอย่างหนึ่งเป็นกระบวนแบบอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบแต่ในที่นี้ มุ่งให้เห็นการนำความรู้ในความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ซึ่งตัวอย่างเรื่องการดับไฟนี้เข้าใจได้ง่ายในคำภีท่านนิยมให้เปรียบเทียบกับการมีโรคแล้วเจ็บป่วยซึ่งน่าจะเทียบกันได้ดีมากจะได้เห็นทั้งกระบวนการเกิดเป็นโรคพร้อมด้วยอาการของความเจ็บไข้และกระบวนการบำบัดรักษาของแพทย์แต่ในที่นี้เห็นว่าจะซับซ้อนไม่น้อย ท่านที่มีความรู้ทางแพทย์ดีก็จะเทียบให้เองทำหน้าที่ต่ออริยสั์แต่ละข้อให้ถูกต้องการรู้เข้าใจและทำหน้าที่ต่ออริยสั์แต่ละข้อให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจะพูดไว้สั้นๆพอป้องกันความเข้าใจและการปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด หน้าที่ต่ออริยสัจสี่นั้นเรียกตามถ้อยคำเดิมว่ากิจในอริยสัจได้แก่หนึง่งกิจในทุกข์ปริญญาปลาตามที่นิยมสืบๆกันมาคือการกำหนดรู้คือรู้จักเข้าใจเท่าทันทุกรู้เข้าใจปัญหาและกำหนดรู้ขอบเขตของมันเหมือนแพทย์วินิจฉัยโรค2 กิจในสมุทยคือปหานะแปลาตามที่นิยมสืบๆกันมาคือการละคือกำจัดต้นต่อหรือสาเหตุของทุกของปัญหาทำให้หมดสิ้นไป 3. กิจในนิโรธสัจฉิกิริยาลปลตามที่นิยมสืบๆกันมาคือทำให้แจ้งคือประจักษ์แจ้ง เข้าถึงภาวะที่ปลอดทุก์ราศจากปัญหาบรรลุจุดหมาย 4. กิจในมัจภาวนาลปลตามที่นิยมสืบสืบกันมาคือเจริญคือดำเนินหรือปฏิบัติตามวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายลงมือทาที่ว่าป้องกันไม่ให้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติผิดพลาด ก็เช่นว่าในข้อแรกคือทุกเรามีหน้าที่ปริญญารู้จักเข้าใจเท่าทันมันเพื่อจะได้พร้อมที่จะแก้ไขสลายทุกให้ตรงเรื่องถูกจุดถูกที่และหมดจดเต็มที่เราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์มีทุกขหรือแบกทุก์เอาไว้แต่อย่างใดเลยในข้ออื่นต่อๆไปเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อมันให้ตรงตามกิจในแต่ละข้อนั้น ถ้าเข้าใจหลักเท่าที่ได้พูดมาจะมองเห็นว่าสามข้อต้นคือทุกข์สมุทยัยและนิโรธนั้นเป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่เป็นไปตามปัจจยาการหรือพ้นจากปัจจยาการตามธรรมดาของธรรมชาติดังได้บอกแล้วว่ามนุษย์จะทำอะไรแก่มันโดยตรงไม่ได้จึงอยู่ในภาคมัชฌีาธรรมเทศนามีเพียงข้อสคือมรรคอย่างเดียวที่เป็นเรื่องของมนุษย์ ที่จะทําจะปฏิบัติได้ส่วนในสามข้อแรกเราได้แค่รู้เข้าใจมันเช่นรู้กิจหรือหน้าที่ต่อมันว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเมื่อจะให้กิจนั้นๆเป็นไปจนสําเร็จก็ต้องมาทําการปฏิบัติในข้อมักย้ําว่าสามข้อแรกคือทุกข์สมุทัยและนิโรธอยู่ในภาคแห่งธรรมดาของธรรมชาติ คือภาคมัชเชนะธรรมเทศนาจึงมีข้อสคือมรคอย่างเดียวที่เป็นเรื่องปฏิบัติการของมนุษย์ซึ่งจัดเป็นภาคมัชชิมาปฏิปทา